ช่วงนี้ก็เรียนเรื่องของวจีกรรมเรียกว่าวจีกรรมนั้นตัวกรรมจริงๆได้แก่เจตนาเจตนาที่ล่วงออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนะคือเจตนานั้นล่วงมาทางกายและทางวาจาเรียกว่ากรรมนะ ส่วนถ้าทางมนโนกรรมนั้นองค์ธรรมมีมีมอย่างใช่ไหมมนโนกรรมได้แก่หนึ่ง่าอภุษลนะอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิส่วนเจตนานั้นเป็นไปทางกายกรรมและวจีกรรมฮันพูดพูดถึงกรรมทางกายทางวาจานั้นมุ่งไปที่เจตนานะเจตนาที่เป็นเหตุแสดงออกทางกายเจตนาที่เป็นเหตุแสดงออกทาง วาจานั่นแหละซึ่งวันวันหนึ่งทำกรรมมากมายมหาษาลเลยวันวันหนึ่งในเราพูดมากเนาะพูดค่อนข้างเยอ ะ, ะทั้งกิจการงานจีปาถะแล้วก็วันหนึ่งเราก็มีกายกรรมมากกายกรรมก็ขนาดที่ยืนเดินนั่งนอนก็ชื่อว่าเป็นกายกรรมด้วยสงองคราะห์เป็นประเภทกายกรรมการเรียง ฝ่ายกุศลกับอกุศลนั้นมีความแตกต่างกันบ้างกรรมนี้แบ่งออกเป็นสองสองอย่างใช่ไหทางกายกับไม่ใช่ฝ่ายกุศลกับอกุศลเอากุศลก่อนนะกุศลนั้นกุศลเนี่ยโดยอารมณ์ของกุศลมีมีเท่าไหร่มี6อย่างเนาะนะอารมณ์หคือหนึ่ง รูปเสียงเปลนรสแล้วก็โพธพะแล้วก็ธรรมะธรรมะก็คือธรรมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของถ้าพูดแบบก็คือจิตใช่ไ้ยดวงโตๆตหน่อยอในจิตนั้นสามารถเป็นได้กี่ดวงพหากุศลทั้งหมดมีกี่ดวง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 เราต้องไม่ลืมว่าต้องเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยนะการให้ทานทะล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรม ล่วงมาทางใจเรียกว่ามนโนกรรมเพราะฉะนั้นทานเนี่ยยังจะต่างจากฝ่ายอากุศลกรรมบทนะกรรมในอกุศลกรรมบทเนี่ยอย่างหนึ่งศีนก็เหมือนการศีนที่ล่วงมาทางกายเรียกว่าเป็นกุศลศีลนั้นเป็นกายกรรมถ้ากุศลศีนที่ล่วงมาทางวาจาเป็นวจีกรรมนึกคิดทางใจเนี่ยศีนเนี่ยเป็นกายกับวาจาไ ม, ไม่เรียกว่าเป็นมนโนกรรม นะส่วนใหญ่แล้วท่านไม่เรียกว่าเป็นมโนกัง เ, ออเพราะว่าศีลนั้นเป็นเรื่องของกายกับวาจานะส่วนภาวนานั้นเป็นได้กี่ทวารภาวนานั้นเป็นได้สามทวาร น, นะกายวาจาและก็ใจคืออารมณ์ทางนี้นี่หกอยู่แล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโพชภาพนี่อารมณ์หกนะ แต่ว่ากุศลเหล่านั้นต้องเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนาเนี่ยล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทาง ว, วาจาเรียกว่าวจีกรรมล่วงมาทางใจเรียกว่ามโนกรรมสมมติถ้าทานที่เป็นทางกายเป็นอย่างไรก็คือเจตนาที่ให้ด้วยตัวเองอะ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นกายกรรมบอกให้คนอื่นไปให้ให้แทนเราเรียกว่าเป็น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 มไม่เที่ยงเป็นต้นนะถ้าในขณะเดินเป็นต้นเรียกว่าเป็นกายกรรมถ้าสาทยายออกมาเป็นวจีกรรมไม่ขยับกายวาจาเลยคิดนิ่งๆทางใจเป็นมโนกรรมสินะฟันทานภาวานานั้นเป็นได้กายวาจาและก็มโนนะเป็นได้สามทวาร น, นะ ทานส่วนศีนเนี่ยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นทางกายกับทางวาจานะส่วนภาวนาเป็นได้ทั้งกายวาจาและและใจล่วงได้สามทวาร น, นี่คือทางทางทวานกุศลจะเป็นลนนักษณะนี้นะถ้าเป็นอกุศลน่ะนะถ้าอกุศลอกุศลส่วนใหญ่ก็เอาอากุศลกรรมบทมามาเป็นตัวตั้งใช่ไหมอกุศลอกุศลกรรมบทแสดงออกมาเป็น กายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3นะกายกรรม3ได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รมแล้วก็วจีกรรมมี4พูดเทศพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อมโนกรรมมี3ได้แก่อภิชา พยาปาทะและมิชาทิฐินะทีนี้ถ้ากายกรรมเช่นข้อหนึ่งเลยปานาติบาตปานาติบาตล่วงมากี่ทวารสองทวารคือกายกับวาจานะเพราะฉะนั้นทั้งปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจานถ้ากาเมเนกายอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่า ศีลข้อส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นได้ทางกายและก็ทางวาจาสองทวารข้าเนี่ยทางกายทางวาจาก็ได้ลักทรัพย์ทางกายทางวาจาก็ได้ในส่วนการเมชุบสุมิจฉาจาร์ในทางกายอย่างเดียวส่วนมุสาวาตเป็นต้นนั้นน่ะทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้นั่นแหละส่วนมโนกรรมเนี่ยได้สามทวารเลยนะนะมโนกรรมเนี่ยได้ทางกาย วาจาแล้วก็ใจเรียกว่าได้สามทวารเลยนี่เป็นเป็นคำพูดแบบสรุปสรุปนะเข้าโครงเรื่องทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ถ้าอากุศลเหล่านี้ถ้าล่วงกรรมบทนะถ้าครบองค์สามารถให้ผลนําเกิดในอบายได้แต่ถ้าไม่ครบองค์มีผลไหมนีนะแต่ให้ผลหลังจากหลังจากเกิดมาแล้วเรียกว่าประวัติการ เจตนาไม่ไร้ผลแนะ่คิดดีๆเข้าไว้เถอนะคิดดีอย่างน้อยที่สุดสบายใจก่อนนะดีกาพรหมชาลสูตรเป็นคัมภีร์อันดับสอ่าคือถ้าพรหมชาลสูตรเสร็จแล้วก็จะมีอัตกถาพรหมชาลสูตรแล้วก็คัมภีร์ชั้นที่สามเรียกว่าดีกาพรหมชาลสูตรท่านกล่าวว่าว่าจีประโยคที่เป็นไปเพราะเป็นผู้มีจิตอ่อนไม่ชื่อว่าเป็นพุทธวัจาเพราะยังไม่ถึงความเป็นกรรมบด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 เหมือนอย่างว่าวจีประโยคที่ท่านเป็นไปเพราะเป็นผู้มีจิตอ่อนไม่ชื่อว่าเป็นพุทธสวาจาฉันใดวจีประโยคที่เป็นไปเพราะเป็นผู้มีคําอ่อนหวานก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธสวาจาก็หาไม่ได้คือหมายความว่าแม้แต่จะพูดนิ่มๆนะอ่อนหวานน่าดูแต่แต่อย่าไปบอกว่านั่นเป็นคําอ่อนหวานนะนั่นก็ชื่อว่าเป็นคําหยาบด้วยนะเช่นตัวอย่างว่าคําพูดของผู้ประสงค์จะให้เขาตายว่าท่านทั้งหลาย จงให้คนคนนี้นอนให้เป็นสุขเถิดไม่เชื่อว่าเป็นผู้สวาจาหาไม่ได้นะหรือบางทีนะเวลาสั่งฆ่าคนอื่นเขาเออส่งมันไปสวรรค์สักทีหนึ่งสิอย่างเงี้ยส่งเขาไปสวรรค์นหน่อยอย่างเงี้ยก็ถามว่าหยาบไหมเอาคำพูดให้ไปข้ามจะไม่หยาบได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นแค่น้ำเสียงที่บ่งออกมาก็ไม่ได้แปลว่าไม่หยาบเพราะมุ่งเอาเจตนาที่ เจตนาเนี่ยเป็นหลักว่างั้นเถอะบางคนเนี่ยสมมติว่าสังฆ่านะแค่ใช้ไม่โป้งเนี่ยลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าสังฆ่าบางทีแค่กระเดกแป๊บบางทีก็ยักคิ้วหน่อยเนี่ยก็สแสดงว่าเป็นนิมิตแห่งการฆ่าเพราะนั้นาการวางแผนฆ่ามีหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่หยาบนะก็ถือว่าหยาบด้วยทีนี้โทษของผู้สวาจานั้น เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนผู้ถูกพุทสวจีบุคคลมุ่งหมายให้เป็นไปมีคุณน้อยเชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้นั้นมีคุณมากคือแล้วแต่ไปด่าใครอ่ะนะไปด่าคนมีคุณธรรมมากก็บาปมากไปด่าคนมีคุณธรรมน้อยก็บาปน้อยหน่อยนะเขามีที่ในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์กรเขามีการเดินเวียนพระเจดีย์กันนะนะพระหัรรูปหนึ่ง ท่านก็มีเสเลตแล้วก็ถมเสเลตออกไปพระเทรีผู้หญิงรูปหนึ่งเดินมาข้างหลังนะก็บอกหญิงแพทย์สยาคนไหนมาถมไห้ตรงนี้เพราะงัน้นว่าใช้ก็ไม่หญิงแพทย์สยาเลยนะเสร็จแล้วนางก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรชาตินั้นพ อ, อมาชาติหลังก็เป็นเป็นแพทย์สยาเลยสมปากเลยสมพรปากเลยนั่นแหะก็ข้าพเจ้าไปว่ากับพระอรหันต์ใช่ไหม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 มีเด็กเลี้ยงคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งนะวัวหายเข้าไปในป่าทีนี้พระเนี่ยก็ไปถามทางถามถนนหนทางเข้าทีนี้พอไปถามถนนหนทางเนี่ยคนเลี้ยงวัวนี่ก็บอกโอ้ยก็ไปด่าขี้ข่านะใช้ป่าพวกขี้ข่าพวกอะไรประเภทนี้ตอนหลังเกิดเป็นาธาตุสมพรปากเหมือนกันได้เกิดเป็นาธาตุเขาเหมือนกับที่ป่า อันปากของเรานะั้นถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดพูดนะไปพูดกระทบกระทั่งกับผู้มีคุณนะ่ะเหมือ น, นอครั้งก่อนที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราใช่ไหมกล่าวถึงว่าไปหาทําไมสัมมะโรนใช่ไหมโพธิญาณท่านได้โดยยากตัวเองเนี่ยยากจริงๆรเลยนะปฏิบัติเพยียรตั้งหกปีอะ่ะสมพรปากเหมือนกันอั้นเราจะกล่าวอะไรพูดอะไรไปแต่ละคําแต่ละคํานี้สังวรสังเนียกใส่ใจให้ดีเพราะว่าจะเป็นบุญเป็นบาปก็อยู่ที่ ไม่ไม่น่าเชื่อไปใกล้ตัวขนาดนี้นะกระดิกปากให้เป็นบุญก็ได้ให้เป็นบาป ก, ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนี้พุทสวาจาที่ยังไม่ถึงความเป็นกรรมบทชื่อว่ามีโทษน้อยที่ถึงความเป็นกรรมบทนี่ชื่อว่ามีโทษมากนะก็คื อ, คอถ้าล่วงกรรมบทก็คือครบองนั่นเองอีกอย่างหนึ่งพุทสวาจาที่ไม่ถึงความเป็นกรรมบดมีโทษน้อยหวาไปซ้ำเลยเนี่ย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 นะเข้าคุกเลยนะอย่างเช่นว่าหลายคดีเขาคดีหมิ่นพระสังฆราชเนี่ยไม่ได้เลยนะหมิ่นทาบรมราชานุภาพก็ไม่ได้แตนถ้าคำพูดบางคำนะคำพูดหยาบยาบเนี่ยใช้กับบางแห่งเนี่ยกนะ็ผลยังไม่ค่อยทันตาเท่าไหร่นะักแต่บางแห่งกพูดปัป๊บเนี่ยแค่นั้นแหละทันทีเลยแหละพร้สวาจามีองค์ประกอบสามอย่างคือคนอื่นที่พึงด่า แล้วก็สองจิตกโกรธแล้วก็สามพุ่งออกไปก็คือด่าออกไปนะด่ากระทบชื่อกระทบโคดกระทบชาติกระทบตระกูลกระทบผิวพรรณกระทบอวัยวะสรีระต่างๆวิทยาฐานะพวกนี้ยถือว่าเป็นหมดเลยถ้าเป็นพระนะพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นอบัตต์ปาจิตติแต่ถ้าพูดเพื่อจะล้อเล่นอ่ะเห็นเขาผอมแล้วก็โอ้ยผอมเหมือนกับไม้เสียบอะไรักอย่างพูดคำขไปงั้นแหะตลกตลกอันนี้เป็นอบัตตเหมือนกันนะแต่เป็นอบัตตทุพภาสิต นะทุแปลว่าชั่วทุภาสิตก็คือถือว่าเป็นคําพูดชั่วนั่นะแหละสมมติเขาขา ว, ขาวพูดกระทบผิวนั่นแหละอันนั้นก็เป็นนะพูดขำๆไปงั้นนั่นก็เป็นเป็นทุภาสิทด้วยเหมือนกันพูดเรียนชื่อเล่นๆอะ่ะพูดลอ้อเรียนพูดอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระทําไม่ได้นะโดยวินัยเนี่ยเป็นอาบัติทุภาสิตธ์อะไงี้ยโทษฐานพูดชั่วอบัติที่เป็นเพราะพูดชั่วนั่นะแหละทุภาสิทธ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 มโนกรรมคือพยาบาทแต่ล่วงทางวจีทวาร น, นะเพราะนั้นคําพูดที่แช่งชักหักกระดูกประเภทนี้เป็นลักษณะของพยาบาทเป็นมโนกรรมนะพอประสงค์ให้เขาอยากเป็นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแต่คําพูดด่ากระทบกระทั่งเช่นไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเป็นละเป็นผู้สว aja าาคาหยาบนะให้ผลนําเกิดแนวบายได้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 มีประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่มีประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่มีสัมผัสปะราปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะอาเสวนะน้อยพูดน้อยก็บาปน้อยหน่อยใครพูดเพิ่มเจอมากก็บาปมากหน่อยชื่อว่ามีโทษหน้เพราะอาเสวนามากอาเสวนะก็คือเสพหรือพูดมากอ่ะการอบรมการทำให้มากชื่อว่าอาเสวนะ <c oughs>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 แห่งความที่กิเลสอ่อนและแรงกล้านะอย่างเช่นนักเล่านิทานซึ่งเรื่องไม่จริงอ่ะนะสามารถแต่งนิทานขึ้นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรสักอยาก่างแล้วก็แต่งนิทานก็เล่าไปเรื่อยเรืยรื่อยไปเรื่องไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอะ่ะประเภทนี้แหละเป็นลักษณะของสัมผัสปลาปะนะเหมือนอะไรนะกระตูนอะ่ะภาคการะตูนนั่นแหละเนี่ยพวกเนี่ยเพลเจอร์ทั้งนั้นเลยเจ๊ะไหม จริงที่ไหนโอ้โหเหาะทั้งนั้นนะการ์ตูนอย่างเงี้ยั้ น, นการ์ตูนนั้นโลกของการ์ตูนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรานิยยด้วยนะการ์ตูนนั้นส่วนหนึ่งเป็นลักษณะของเพอร์เจอร์ซะส่วนใหญนะ่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านหน่อยสัมผัสปลาปะนั้นมีองค์ประกอบสองอย่างคือความเป็นผู้มุ่งผู้เรื่องอันหาประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องภารตะยุทธและเรื่องนํานางสีดา ม, มาเป็นต้นเป็นเบื้องหน้านะ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 เพราะฉะนั้นในดีกาสัมมาทิฏฐิสู่ท่านกล่าวว่าก็สัมผัสถลาปะทุกอย่างย่อมสําเร็จ ด, ด้วยองสององสองก็คือมุ่งจะพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดออกไปอันนี้เนี่ยองสองนี่แหละถือว่าลวงกรรมาบทแล้ววันหนึ่งเนี่ยเยอะเงินนะที่เจอพวกกันแล้วก็จ่อไปแล้วไปที่ไหนกันมร่รู้คุยไปเรื่อยนะเสร็จแล้วก็บอกเออบาปด้วยเลยนั่นแหละ แต่ถ้าไม่ได้ศึกษานะเราจะเห็นจะเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลว่าเป็นกุศลโดยซ้ําไปคือเพราะชาววันะของปุถุชนทั่วไปมันก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมกุศลกับอกุศลดังนั้นคำพูดที่พูดออกไปคําหนึ่งเนี่ยไม่กุศลก็อกุศลนั่นแหละแต่ถ้าเป็นกุศลเอาอะไรมาจับนะในกระดานนั่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาสงเคราะห์เอาเข้าข้อไหนอะ่ะถ้าไม่เข้าอันนี้เลยนะที่เหลือใช่เลยนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีนี้แต่ถ้าอากุศลมันมีกําลังนะหรือมิจฉาทิถิมันเกิดมาไม่บาปนะคำนั้นไม่บาปล้อกเหมือนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นเพราะว่าันถ้าหากว่าความคิดแบบนั้นเกิดบ่อยๆนะคําคิดความคิดแบบนั้นเรียกว่าอายโยนิโสอายโยนิโสแบบนั้นมากๆจะทําให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลเลยจะถือว่าเอ๊ะไม่มีโทษสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไ ม, ไม่มีโทษอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์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 เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ฉลาดในการพูดนะที่จะไม่ไหลไปกับมุสาวาทก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะนะที่ไม่เป็นพุสวาจาไม่เป็นปิสุนาวาจาไม่เป็นสัมผัสปลาปากก็ยากในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความศึกษาด้วยว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ควรที่เราจะคุยด้วยใครเป็นบุคคลที่เราไม่ควรจะคุยด้วยข้อความในอังคุตรนิกยติกานิบาศ นะกระถาวัตถุสูตรดูกานพ่สูนทั้งหลายกระถาวัตถุ3มนี้กระถาวัตถุก็คือเหตุให้เกิดคำพูด3ะนะมอย่างคืออะไรคือบุคคลพูดถึงเรื่องราวปรารภเวลาที่เป็นอดีตว่าการที่ล่วงไปแล้วได้เป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งนะถ้าเวลาพูดคุยการส่วนหนึ่งก็เอาเรื่องในอดีตที่ผ่านมา มาคุยกันมากล่าวกันโอ้สมัยนั้นนะไม้เป็นหนุ่มเนี่ยไปทํามโนนโน น, โ น, นมาสมัยมีแรงมากลักษณะนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่ปรารถอดีตแล้วก็พูดเรื่องราวปรารถเวลาที่เป็นอนาคตว่าการภายหน้าจากเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งนะเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองต่อไปข้างหน้ามั้นเวลาคุยกันก็นะหนึ่งอดีตสองอนาคตสาพูดเรื่องราวปรารถเวลาที่เป็นปัจจุบัน บัตรนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัตรนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งเรียกว่าถ้าสนทนาปัญหาบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าเป็นคำพูดที่ปรารบปัจจุบันนะคำพูดปรารถบอดีตก็มีคำพูดปรารบ อ, อนาคตก็มีดังนั้นเวลาคุยกันก็ปรารบสามอย่างนี้ใช่ไหมปรารบอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างแต่ถ้าพูดปรารบอดีตแล้วเป็นคาพูดที่เป็นไปในกุศลก็อย่างไร ก็คือคําพูดที่ปารพบว่าในอดีตการมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสะเป็นต้นนะพระผู้มีพระภาค พ, พานามว่ากัสปะมีอุปถาคชื่อว่าพระเจ้ากิจกิจอย่างเงี้ยหรือเอกสำเ น, นาบอกพระเจ้ากิงกิเหมือนกันนะหรือปารพบอนาคตก็คือมีพระผู้มีพระภาคจะมาตรัสรู้คือพระพระเสียริยเมตรยัยนะมีมีพระราชาที่เป็นอุปถาคก็คือพระเจ้าสังขะ นะพระเจ้าสังขนะ์เหมือนอำเภอแตามาอยู่เปี้ยะเลยแต่นั่นเป็นคนนะนแล้วก็ถ้าปารปัจจุบันก็ออกพระราชาเนี่ยสมมติว่าพูดถึงในหลวงอะ่นะการพูดถึงในหลวงตอนนี้พระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็จะฉลองครบรอบแล้วเนี่ยก็พูดลักษณะนี้เรียกว่าคำพูดที่ปารพัจจุบันนะแต่ปารพบในส่วนที่ดีๆนะคือถ้าคำพูดเป็นไปในส่วนที่ดีๆลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของ เป็นตากับอกุศลแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยหาประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่ได้ถ้าลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นเป็นตายกับอกุศลสัส่วนใหญ่นะถ้าพูดอกุศลมากๆแล้วอย่าไปร้องเรียกหาผลบุญมากนะบอกเอ้ไม่ได้ทําบาปเลยแต่วันหนึ่งบูชไม่ได้หยุดเหมือนกันเคยคิดไหมถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนนะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากคิดเลยว่าไอ้ที่เราพูดนี่มันมีโทษอ่ะใช่ไหม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 เจนะตนาในชาวนะสังขารหรือเป็นกรรมภพนะถ้าชาวนะนั้นเป็นโลภก็เป็นอุปาทานกับเป็นตัณหาด้วยนะถ้าเป็นโทสะก็อยู่ประเภทกรรมภพทานทำเหตุใหม่อยู่ตลอดนะวันวันหนึ่งเนี่ยทำเหตุใหม่อยู่ตลอดในขณะเดียวกันก็รับผลแห่งกรมเก่าด้วยถ้าผู้ที่ศึกษาวิถีมาอย่างเช่นทางหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยใช่โสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเป็น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 จิตก็จะอาศัยอารมณ์นั้นปฏิสนธิทันทีปฏิสนธิก็คิดในภพใหม่ต่อไปอีกนั่นแหละแล้วแต่ว่าไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดในภพใดก็จะไปคิดเรื่องราวในภพนั้นต่อไปส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลก็อยู่อย่างนี้แหละก็มีแต่กรรมและผลของกรรมอยู่เป็นไปอย่างนี้เรื่อยนั้นถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการคิดเมื่อไม่ฉลาดในการคิดเนี่ยนะหรือว่าเราไม่เห็นโทษของความคิด ไม่เห็นโทษของชาวนะเหล่านั้นนั่นนะเราก็จ ะ, จะยังไงเมื่อไม่เห็นโทษก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรอะไรต่ออีกมิจฉาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมก็จะคิดผิดแล้วเมื่อคิดผิดพูดผิดเลยเมื่อพูดผิดปับ๊บผิดอีกเมื่อทําผิดปับ๊บอาชีพก็ไม่ดีแล้วเมื่ออาชีพไม่ดีความเพียรพยายามนั้นก็เป็นความพยายามผิดพยายามผิดก็จะทําให้เกิดระลึกผิด แล้วเลิกผิดก็ทําให้สงบผิดเมื่อสงบผิดปั๊บสนับสนุนความคิดผิดอีกครั้งนึง่งก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยกระแสของสังสารวัตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคปัจจัยมรรคปัจโยชีวิตก็เป็นไปอย่างเงี้ยดำเนินตามทางเพราะว่าพวกทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทางถ้าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นทางไปสู่อบายอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีคติสองคือเดรัจฉานกับนรก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 แต่ถ้าหากว่าแค่มีความคิดแบบนี้เข้าใจแบบนี้ใฉยๆก็บอกว่าอนุภาพของความคิดอ น, นันตายทำให้ตายแล้วตกนรกน่แะแต่ถ้าปปฏิบัติตามน ะ, ะเดรัจฉานอ <c oughs> ันถ้าเราศึกษาดีๆปุ๊บจะทำให้เห็นมีความสำคัญมากในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม